ก็ต้องเอื่นว่าอปุญญาที่สังขารอภิสังขารคือบาปนี่ยคันคิดดีใจเดี๋ยวสงฆ์ข้ออนุเคราเชื่อส่ก็เป็นสังขารประเภทอะไรเป็นปุญญาที่สังขารคันซูนคันเครียดคันอารมณ์คันไล่เขาเอื่นอปุญ่าเนาะเนี่ยสังขารจะแยกแยะออกมาเชื่อสิเพราะฉะนั้นห้ามหวังตั้งแต่บุญหวังแต่บุญบาปมีคันผู้มาปฏิบัติเขาใหญ่ธรรมะเข้าสี่สงฆ์ข้ออนุเคราะหเข้าสี่กินสิท่านเป็นได้บาป บุญจะทำเป็นบุญนั้นจะขวามง่ายๆเนี่ยแต่ว่าเขา้าใจบุญมากงา่ายแต่ว่าวิธีรักษาบุญเข้ามันม่มีวิธีซื้อขบค ป, ปฏิบัติทำมาทำบุญกันชั่วหน้าตาจีบ้านไดนก็ทำบุญเข้าจนเอ็นพุทธบริษัทบริษัทบ้นหน่อยเพื่นนี่บ้าบนนั่นก็นจกังไงเกิดมากอะพอเมียท่ารักษาสิงหกินท่านเขาว่าต้อทำเนี่แต่ว่าเอาเข่ามาส่งเทพเจ้าหานี่ท่า น, านตีเป็นราคานั้นลักท่าทช่องเออบ้นหน่อยบาทมีเรียกว่ามาทุ่งเทพมาซื้อบุญ มื่อสั่งข้างวสิไปนิพพานต่ว่าคันถวายเจริญวใจัยก็ว่านิพานอัจฉริยโหตุอนาคเตกาเลกว่าย่วนตัวเนี่ยเขาเกิดว่าเอาเขาเอาปาเอาเครื่องครบเครื่องแันทั้งหลายทั่งวานทัข้าวโมเนียว่าเป็นเครื่องแรกอันนิพพานนิพพานมันเถืนใดมันโมเมนเถืงอนใดโดยวิธีนั้นมันต้องมัปฏิบัติคันมัปฏิบัติท่านอาจารย์เราบทานบรรลุอรรนิพพานในหนังสือชิริมาโนทัสุรเขาบ้ให้ยถอนสาบากนัก ขันโมเหลือล้วนมีพานแมกจุงกันพิษิตุธูเนีน่ยปานั่นตัวเใาไงบ่แม่งของงดยพระสงตัองรู้ใจมิพานตั้งโคสุเตาพยะติเจตาสั้นยนิโตประสงค์เป็นนาบุญนั่ยิ่งใหญ่กว่านาบุญนั่ดีทั้งหลายหวานะโยติธาสั้นโตสุกตานโนภูตาโคเป็นผู้เห็นพระ น, นิพานต้องเห็นมีพานนี่ขันเมื่อใดฮ่อรักษายขีรักษายใจของฮอเป็นปกติเป็นปกติเรื่องซัานในสั้นในมัมกรบกระทเฮาหยุกอยู่เฮายางได้นี่มีพาน อันย่างได้เห้ยข้อไปบ้านไปเห็นบ้านมันวะปกติมันบะปัดวะกลัวจะสิล้วนเลี่ยแ่เราสำนึกท่านนี่ขันแยนสมาธิเขเรียกว่าเป็นวิปปะจารัสสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดเข้ามาสมาธิเฉียดเฉียดวนที่รถสุยปุ๊ี่รถสุยหละเกือบสิโตกล้ฟมนงอนเนี่ยมันใส่เนี่ยขีพวกมาไล่ขบอดีมั่งงอยงเลยเกือบพารูลถนนร์คเขาไมได้จิตวถันคนนี้ฮรเขาได้ยุธี่นา มัสิล่งแร่ล่งหาหม่องบาตจะได้นะมันไปจ่ายรัศมีมาที่อ่ะ <c oughs> นี่เราพว่แม่เ พ, พื่อพอมนอมินตัวอันตรายอยู่บ่หน่อยเกี่ยวกับสังขารนี้อิทธิพลนีอำนาจชินสิขาสิสิท ธ, ทท ธ, ททธทรารูร่างพ่อเขาอำนาจสังขารนี่ขังเราอสังขารหายให้ได้ทักเลย่วงนี่แน่นายช่างผูกเรือนเราดูจากเจ้าสีแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อยู่ต่อไปเมื่อสิเดว่าเพื่อผัวมานาจหรือเนาะขั้วจิวกโคลงมหาวิธีสั่งแก้วชะตรเมื่อสิเดิกเนีย สางเจวะนั่งอยืนดีกระไรเนาะบนนั่พระพิ اة ที่มันพูยืนสิบวเห็นเนี่ยสางเจวะวิธีของเขามันต้องเจี่ยวกับการสางเจวะการสังเจวะเป็นท้่นดีคือจิตสิได้มีสมาธิเลี้ยวขึ้นเออขันจิตผู้ได้วิ่งว่อนวกว่อนคม่มอวยตีกลับไปหาบ้านไปหาเพื่อนไปหาเรียกไปหางานนี่สิสิสิน้านลูกจัดสิบวลูกจักลูกสิบวลูกจัดหน้านาย หาพ่อบางพ่อแม่บางแม่สิมัปฏิบัตินีโบได้เตรียมพ่อทังบ้านโบเตรียมพ่อก็บอกเป็นคนดีได้พวกเขางมไงฮูสมุรว่าบได้สร้างย่างย่างดีดีเจสิคันพ่อแม่พ่อคนไหแม่คนไสั้างย่างดีดีก็สิมั่นเออพอสิไปซื้อธรรมะจกหกหมื่นเจ็หมื่นหลายผู้แม่กะสอนบอกูกบอกเาแม่สิไปซื้อธรรมะจกหกหมื่นเจ็หมื่พวกเจ้าเบิ้งเลือตาหลายทั้งนทั้งสันปฏิบัติเอา กษิตมบัติอนี่ยก็เบิงพักกันเบิงระวังพอพายุระวังแม่ยพายุกันแห้งหักให้แพ้งกันพวกเจ้าก็ได้ว่ากันกับผู้จ่าปลาใสแห่มั่นไพ่รอไพ่ระผู้อายวากับน้องผู้น้องวอากับอายก็ได้ระวังจะปัดยับสินปากเสียงยับโถยยับเสียงยับทะเลาะบอกแรงแร้นีเรื่องละหองละแห้งถึงบวยดีดีคากันขันพายแม่พาย่ขันมาห้อมม้าฮอนกันคำกังขึ้นกัอ้หื้ออ้แห้เบิงง่วงเบิงกล้วยซอยนองขันมันเอาง่วงเอากล้ยเข่อยข่อขอแรงก็บเบิงซอยมัน เขาทุกตัวหรือโบทุกตัวมันใช่ลิ่มจิ้มลักบอผูกเสื้อผูกขาวบอเบิงสร้อยกันไอ้โม่ที่ขันสั้นดีๆที่ส่วนปนี้พ่อแม่สิบบ่มีปรีพอดคำว่ามีปลีพอดนี่ขันมาแล้วโอ้ยอันนั้นกูก็ลืมบอกมันอันนี้กูกระลืมเบอกมันมันสิเบิ้งให้โบน่าปรีพอดนี่เป็ว่ากำวลนห่วงใหญ่ทรัพย์สินสมบัติจริงของต่างๆที่มันมีค่ามีราคาหล่ะเขาเอื่นปรีพอดขันลูกของข้าใส่ต่างนาต่างแป่ไอะแห้งก็มัวหลายโอ้ยบอกนั่นกัน มัน charcoal, บ่เคยเบิงเบิ้งซ่านน้ำนอนเออหาพอป market, ไปอยู่มันสิเบิงบนนานเหี้ยสิเปนนนบ้านอื่นไปเที่ยวเห็นแหเน่ยบ่ข่มบ่เกาบ่ข่มบ่เกามุ่นี่ก็เป็นปริพอดเท่านั้นเดงนั้นมันเคลื่อนของบ่หน่อยปริพอดนี่กะถ้าไหนเข้าบ่ได้เบิ้งตัวจ้บัวคว้นออกตีออกดังนั้นโอ้หลายให้จิตแน่วแน่เร็้วเลียวให้ได้ผลวิให้มีโอกาสรููจักอันไดเป็นรูปอันไหนเป็นหน้าง่ายๆสเนี่ ขันลุยจกักรลูจักน้ำลุยจักรลูปท่าน่นท่ามูจักรลู่โลกน้ำโลกลลลลขันลุยจักรู่จักน้ำขันแม่สางเพื่อนเท่ากับได้ฟังเสายางแหน่แล้วมิตสิทใช้ค้างสอดอตรงกล้กระดานขื้น ก, กระดาน่ให้ว่ากาแต้กาโกงไปไ ง, นะง่ า, งงายๆนะคือจักระะูปลุจักน้ำมัสิบเบิทุกครั้งอันนี้จังอานาตาง่ายๆนามัติสิไปเบิ้ลส่เอ้ขันมัันทุกขันเพาะ่าเราเบิู้่เบิ้งน้ำก็สิเอารูปมีตัวเป็นซุปเป็นทุกะสิมาเบิ้ว เนี่ยนั่งยู่เยืยนี้ผู้ใดมีอาการต่างๆแล้วคายแข้งเข่าเป็นไรเนืเมื่อยเมื่อยล้าผู้ใดมีอาการกายวิชาอย่างอื่นที่เราจะต้องทาให้ดีเช่นสีอาการที่เนสิผู้ใดก็ไม่ชอบข้อเหน็บขวเมื่อยค้มือ้ลาข้ออ่อนข้อเที่ย่าช่นีข้มืองานลำขั้นเที่จีนจีนจมือสีผู้ใดก็บ่ชอบที่เราจะต้องทำให้ดีเนี่ยเขาได้ท่ไฮดิมอันดีก็นีบ่ได้แก้ไขบ่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนที่ข้างย่งซิ่งิ่งจีนตัวงยังไมสิไปจ้าที่นะ เท่าบอฝืนธรรมชาติได้แต่ว่าต้องเห็นสักก่อนยถาพูดยานไม่ยังค่อยเกียดเอาลรสิหันมาสาัาางเ่วะการสังเ่ว่านี่ถ้าในตอยเมือ ง, งนี่ด้บเรียนเทุอันพร้อมกันรอกเมื่อเอาเยียย้อนขาสะโนะไอหัวเขาออกมาหนอธกธรรมะก็โอ้ยธรรมะที่ไกรเอาไวท้ที่เจาวนีไว้ที่ที่ไรก็เนาะโอ้ยเียงข้อสิซะเขาเลย มันว่ามีคิดมีดีงเนาะแก้ว่ามิคิดนั่นเคข่แบบเนาะเท่ากับนางคาสบายที่พูดอยานี้ผ้านางพื้นเพียงจคกปวกพอไไยังไงนังงาพื้นเพียงจค่ปวกพอไไยังไงยังไงเท่ากับนางแยกเคล็ดล้างความหลายม่ถีเสียสุขภาพนั่งตัวตรงตรงและบายนี้ว่างว่าเขากลายมันเลยจัยงหวะได้ขาไส้ขนังประเพียรขาไที่ทับหัวใหญ่ขาทับกนคขาหลายมัน มันนางบทุนแล้วบายนี้เขากะว่ามือเหนือหัวเขาจะติะการต่างจัวัดจังว่าหลวงพ่อเฮ็ด ก, ก็ได้เพื่อนบห้เฮ็ดเพิ่มกันนั่นเี่ยเพื่อนเนี่ยพ่มกันเสียงพวกเปนไะนี่ะการต่างจังว่าควบรู้สึกขอเข้ามาสิถูแบง่วนคือเขาเฮ็ดหน้านะ้าคันเฮ็ดหน้าเข้าบ่ได้แบงให้ลูกจ้างบ่ได้แบงผู้ใดกุ้มเขากระดูง่ายสิเมนบ่คันแบง่วนให้ลูกจา้างเขาเข้ามีสองคนสามคนกันแบงเหร็จ ส, สองสามพูดเขา ก, กันหน่อยลง ลักษณะควโ้ตซึนีกับย่ถึงแยกสึงแดงได้ไหมในเมื่อขางขัวสีจรงใจมันจริงซะสลับกันในเมื่อขางใายสจรนงใ่มันจริงซะจงสลับกันว่าไม่จริงพร้อมกันแค่สีคันจังห่าพอเมื่อขัวบอหยุดเมื่อใต้จะเข้าจรงนี่สิน่ามีเมื่อขัวจริงเพราะเมื่อขัวหยุดเมื่อใต้จริงแบบเหมือนสามพันกันสีเพราะเมื่อใายหยุดเมื่อขัวสริงสพราเมื่อขัวหยุดเมื่อใ้จรงเ พอเมื่อตายหยุดเมื่อขัวจิียดูพ่อเมื่อขวหยุดเมื่อตายจิงยผดูพ่อมื่อตายหยุดเมื่อขัวจริงนียผมดูพ่อเมื่อตาหยุดเมื่อขัวจริงนี่สาารถไมี่พ่อมืายหยุดเมื่อขัวจริงเนี่ยพอเมื่อขัวหยุดเมื่อตายจิงนยผดูพอเมื่อตายหยุดเมื่อขัวจริงเนี่นี่เมื่อขัวหยุดเมือนี่ยบานนี้เขา ทันยุทธยุทพร้อมกันผู้ถอยยุทธิธาเสขึ้นี ท, ที่งไงแตกเงน้นผู้ถมาตรียม้อเขาเลยแตกัน้่สนางพระเพี ย, น, พ ย, ย, พ ย, น, ยนั่นตอนอิฐพระเียรทาใต้บัพระเียรทาขวให้คุ๊บเขาเมื่อเกิโตกเกี่ยวยุธก็มีหรือคุกเขาเลยเปลี่ยนบ่าว่าให้เปลี่ยนข้างหน้ายกทะเลทั้งหน้าม่ใช่ว่าเปตาบึงเาเปลี่ยนทางาเปลี่ยนข้า ง, <ะ>งหลังเปลี่ยนจะท่านมันขึ้น่ไหนไปเปลี่ยนยุดตะล่างกี่เงี้ยตะล่างก็ 就盖多那一条了。 มันคิดจตได้นอหรือมันนันมันฟองเจ้าฟองให้เจ้าฟองทำไว่ว่าก <blunt. S 2> ูบ่เป็นระเบียบกูเลื่อนจังหวะทำข้างเจสี่ได้ได้เริ่มไหมก็แล้วการใจมั่งเมื่อออกนอกมันเมื่อข้างเด้วิธีของเฮ้าหนิมันเตสียในเฮ้าวะอ่าโัวใจมันบ่อไตอยู่กับอ่าอ่จังหวะหาที่เลยมันเิี้งว่วนออกไปนอกถป็นอุทาจักกูกุจักเฮ้าสิเกันรู้จักง่ายๆที่ี่ของผัวเฮ้านั่นนั่นมันจะไป ตะล่อเขมา่นใส่ไม่เส็จง่ายๆโบกเสือไม่ล่าเดินโยกงกยัติปูมันมีโอกาสคุยกันนั่งสั่งเสวะเวลานั่งสั่งใคจะไปพูดไปคุยกันมันกี่นา่นลูกจับแค่นี้มะว่าอะไรที่หิวิธีเดินโยกงก็เดินธรรมดาเดินรู้ไหมนึกาพว่าธรรมดาเนี่ฐานะไส่ฐานะนั่งนั่งเล็กบาเวลาสงสัยอะไรพวกวิธีสั่งเสวะ ลพภา w a n ไม่แตค่คนเขาสีหลายคนมหนจะเมคนเมีไม่จะเมียฮเจ้อเออ อ, อ๋พวกน้องพวกนูงหรือพวกไอพวกพีจะไปดูพวกเส้นอย่างว่าพวกเฮามันมันบางงางจริงแหละเจาว่ามันมีประโยชน์รายลุภ awan ตะกี้ลุภอไปฝึกดู ก, กับพวกลุภอมหาบุทองไปแต่ลุภอมหาบุท้องแหะมาดึไปแรกๆนี่ว่าจะไปเส้นโงูกูนะบางทีว่าสิไปเทศผู้พรว่าอะไีนะ พอดีคนภาษาหาม่าบอกพุณจำมาษาอยู่คนละแห่งคนอุตส่าห์มาบอกมาบอกแลวบ้าบรับกะทิแล้วปีนั้นออกราสาด er ันไปหาเพื่อนเลยเข้าไปเพื่อนอยู่หน้าอ๋อบ้าโมิบมดีใจปนไดย่านเพื่อนนี้จัดตำนากปลาพุดย่างเพื่อักะเชียนเกดไม้มาบอกปอบใจให้ดีใจสางไว้เพื่อนเห็นไปยูกติฟากปูฟากเที่ยวเท่กล้าส่งจังหวะเช็ดยอาย ต่ได้ถ่ายที่ว่าเขาฝืนเ่มากเอาภัายที่ว่าคนพอล่อมอีกล่อมเนี่ยเจ้าของซองเดินจูงมือเพราะท่านทาป็นพื้นมาซองคืจอจะเขาเห็นอยู่นี่บมก า, ศ า, ศ า, ศาสร์แั้วสร้างยากแลยแ่มันมันติดอายต่ดกวัวเสือมันบางงา่ามแต่กี่เคยนั่งเดบสมัชย์นั่งรัตานะ่ะผู้โยธาหรือวันลุงพอลูกคุณที่เป็นมาเทศเนี่ยนี่เป็นเป็นอาจารย์ส่วได้บวชกรเพลนได้หนี่แหละอาจารย์ส่วนเลยนี่อาจารย์ส่วนขังกัวอาจารย์ส่วนขางใตก็มน หลวงพ่อพักุ้งดีเศษที่เขายิ่งเล่าใจเ่ยอุปราชกับนั้นหลวงพ่อจะพูดเพื่อไงว่าท่านนี่เถอะนี่ละตะกรันศุนย์เืนนะกับแบบเนี่ยขาขัวานะกทับขาทรายมือขว้าทำมือทรายตั้งตัวตรงลำบกสติเฉพาหน้ารับตาเขาสามารถที่ตัวแข็งแล้วว่าท้าตะกรันเขาสามารถที่ตัวแข็งกันพวกมหาสมัยมหาแสงท่องเป็นอาจารย์คนแรกที่สมเกิดฟื้มาจากวิมานฐานโอ้หลายคนแต่นั่งบกเกิดปัญญานะฟึกนมาแล้ว มันเป็นสมาธิใจมูวหาปัญญาพแดกโบ๊บบริจาคเนี่ ย, ยเป็นยังไม่ได้รูปได้น้ำกับบริจาคปัน้าบาดมา่ึกวิธีนี่ป่ะทุมันโอ้ยลมภพวมันไก่กันไก่กันอีริี์เรวล่ะขันเท่นรูปพอมหาพะท่องบ่ดินไปรูปภะขึ้นไปอยู่สวนหมกสวนหมกที่เป็น เพื่อนีอุปกรณ์หายาอนังสือจะต้องเป็นพวกช่วยตัวเองเป็นได้ไม่หนี่โอ้ยเพื่อนทาเดินเพื่อนพ่ายางอื่นอื่นมันจะีแบงกุมดล่นนั่นกะฟาผ่านหัวเรื่องภาษาคนไม่เนี่ยเพท่านสีอายไหนสีอายไหนสีง่วงรับง่วงนั่กับประนันล่ะเออบุกกันเข่าหามันเลยทานให้มันได้พ่นหามันได้รับอันนี้สงศ์ว่าพระพุทธเป็นเครื่องกำจัดทุกข์กาหายมันนี่แน่มากกำจัดมาคุมหุ่มมับคุมควางเข่าอิริ ยะให้เฮาได้เป็นโกประสาทแม้ผู้ได้เป็นยูอ่อนๆก็ได้หายวันหายขึ้นบุนาอันสมของการปกปิดรำปฏิบัติธรร ม, รมอ拉หลวงพอ่อขอขอจุติการาว่าไว้จะเพี้ยนตัว น, นี้ขอขควงสวัสดีจะมีแจพอแจในใจม่ทุกคน ข, อ, ข อ, อให้สุขภาพน้ำไม่ขอเฮาให้เช็นแกงบึกบึนฟาพันประสาทหน้านาชนิดเ อ, อการปฤติดทำให้ผลในเรืง ว, วันทุกท่านคือ เขาไะฟังเป็นหลวงพอ่อคุณธรรมเดชหายธรรมะล้วก็สาธิตการปฏิบัติแต่หาก็ยังว่าท่านเลยคักใจอยู่เพราะว่าหลวงพ่อเราเก็บขาแล้ว่าตีนแตกกุ้ยเถาะตีนแตกเด้๋ยวที่ได้อดอาัากน้อยหนึ่งเล้ ที่คอนมุ่นคนอาจารย์มีพ้นนาสาธิตในการปฏิบัติอีกจากน้อยหนึ่งเพือ่อประกันมิเวราคมคอนมุ่นออ น, นี้ครับละมาแจกระยาลำสนนัสอาทิตวิธีการงานจงกลมกับการยกมือสั่งจังหวะสองอย่าง ตั้งใจเบิ่งได้วบบนี้ได้ตั้งใจเบิ่งวิธีการยางจงกรมการยางจงกรมหรือการยกมือตั่งจังหวะนี้เป็นการกำหนดจิตของเฮานะเป็นการกำหนดจิตของเฮาให้โหนให้โหนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการยางยงกรมคงศิษยาธิตวิธียางให้เบิง่งวิธียาง บังจะสัตน์ะครับเมื่อกอดอกเมื่อกอดอกครัเมื่อกอดอกนี่ผมยืนอยู่ในลักษณะเมื่อกอดการย่างย่งกลมเข้าสิเก้าเก้าขาได้ก็ได้ครับเก้าขาใายก็ได้ขาขัวก็ได้แดี่ยวแจ้ผู้ใดสิฉันนัเก้าวขาได้ในขณะที่เข้ายกเท้าเก้าไปว่ต้องกำหนดนะครับว่ต้องกำหนด ในขนาดเทาโยกเท่าเก้าเรต้องกำหนดแต่บัตรนี่เหยียบลงปุ๊บเนี่ให้เอาใจเท่านี้ครับเอาตัวใจเท่านี้ไปหูว่าเท่าเหยียบลงเอาจิตเท่านี้เราไปหูไปหูว่าเทาเหยียบชิดลงบัดรเทาเหยียบลงเอาจิตเทาไปหีูหูได้บัตรเหยียบลงเลยครับบัตเท่าตุบขึ้นเรต้องหูหูได้บัตรเหยียบลงชิดชิดหูเห็นไหมใชัดครับเอาจิตเข้าไปหูให้ชัดเจนเลยครับจิตเทาไปหู้ชัดเจน ในการที่เขาเหยียบลงมาถึงมุมแล้วเขากลับหมุนกลับย่งางเหยียบลงหูไอ้ชาดเกณฑ์ครับให้หูให้ถึงจิตเท่าตุกบตุกถึงจิตเท่าเลยครับสกายวะให้หูให้ถึงใจเท่าเลยใจเท่ามันเนีจิตเป็นสมาธิได้ไงครับแนี่ยจิตเป็นสมาธิได้ไง่ายสติเท่านี้ใช้ย่าเพียรใช้มันชัดครับคือขันันบ่ญญัดครับ ขันมันประชัดการที่เข้าสี่เข่าไปเห็นลูบหน้ามันกระบาดชัดซิกันนะครับมันกระบาดชัดซิกนเมื่อการเข้าไปเห็นลูบหน้าประชัดสิ่การที่จะเลื่อนสมาธิต่อไปการขันสู้ไปมันกระบาดชัดซิกะเข้าไปสู้ข kingdom, ันปรมาจิตกระบาดชัดซิกนควบสงสัยกระบาหายครับมหาัยควบสงสัยเพราะฉะนั้นเข้าพยายามเพี้ฐานแหลกให้เข่าใจนะครับฐานแหลกให้เข่าใจเอาให้เกียรตินามคณะเบสกรน อยางนามประนักระษัยเบสเจ้าก่อนเด็กสิเหตุเหตหาเบิงหาชัดเจนข้อที่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าเข้าฝึกขันต้นนีครับเข้าเข้าต้องไผ่ย่ามเหตุหายหามันชัดเจนครับทามันมาชัดเจนคือผมวางนะครับ เมื่อการเข้าใจรูปน้ําบมชัดเจนควอมสงสัยกับ่หายง่ายครับบ่าหายง่ายครับมันชีวะหายข้อมสงสัยว่าหายง่ายถ้าการที่เยาเหตดเข้าใจรูปน้ําชัดเจนเขาเหยียบลงมาได้หูชึบชึบถึงจิตเท่าชัดเจนที่สุดเมื่อเข้าไปถึงรูปน้ําปุ๊บมันชีทำลายข้อมสงสัยได้ทันทีเลยครับค้อมสงสัยในการปฏิบัติที่ทำลายออกได้ทันทีเลยครับหายสงสัยได้หายสงสัยในการปฏิบัติได้ทันทีเลยครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่เหตุเหลวมันมันมาหายสงสัยง่ายๆนี่เพราะอย่างครับพอมันมาชัดเลยครับลูบหน้าบันชัดรูบหน้าบันชัดเดี๋วก็ฐานลูบหน้าในบอดีฐานลูบหน้าบอดีเห็ดไปเดีวก็พังเรื่อยพอปัญญาที่เกิดปุ๊บฐานลูบหน้าก็พังแล้วก็เลยมาชัดเจนเดียรครับก็เลยมาชัดเจนเดียร์เพราะฉะนั้นเขาปัญญาเหตุทานลูบหน้าของเข้าปัญญาเหตุไหนมันชัดที่สุดครับไหนมันเข้าใจได้ชัดที่สุดนะครับ การที่เขา่าเบิงฐานลุมน้ำกคือมเบิงค้นหลุซึกนีดยครับเบิ้งฐานลุมน้าพง่ย่างก้นหลึ้งึ้งไงเขาเหยียบไง่ห้มันชัดเจนที่สุดเลยเบิ้งร่างกายเขาก็บว่าต้องขดได้ครับพราต้องเก่งครับเป็นมากมเบิงเนมันติดเกงร่างกายนะไง่สมุนไง่โยกตัวเกงกันที่ได้ครับเกงมดหนึ่งเกงมดหนึ่งเอาไปไง่ไง่ห้มนันนิ่มๆครับง่ปล่อยสัวห้ยมันสบายๆครับไง่ แต่คิดห้าเป็นหูนันชัดเจนเลยครับายอย่างนั้นสบายเลยมันเอะตาห้าบางทีห้าก็เลี้ยวไปไกลๆก็นเลยเลี้ยวไปไกลอย่างนั้มันชัดเยนแต้งหูบัท้าเหยียบลงเหมันหูทุกทุกเก้าครับบันท้าเหยียบลงเห็มันหูเห็มันชับทุกเก้าเหนมันหูถ huh? ึงใจห้าชึบช <filters> ึบชึบทุกเก้าเลยนี่หมันหูทุกเก้ามันชัดทุกเก้าเมื่อมันหูตัวนี้ชัดปุ๊บทีนี่ การที่เอาสิข่าไปหูลูกน้ำปุ๊บนี่มันก็ัดชื่อกันครับมันก็ชัดชื่อเห็นลูกน้ำชัดชื่อหายสงสัยเดดทันทีเลยแต่ถ้าหูตัวนี้ว่าัดปุ๊บไปเห็นลูกน้ำจะเลื่อนล่านครับเลื่อนล่างพอชัดชื่อพ้อมสงสกับว่าหายไงยเลยครับพฉันั้นห้าพย า, ายามเหตุเห็ุตัวลูกน้าเนี่ยมันัดที่สุดเอาบันนี้บันนี้มสีเอาเออสกิดกินซะก่อนเนาะ กินน้ำซะก่อนเตรียยืนเบ็ดสักคนนะเตียยืนเบ็ดสกคนเอาศิรษะทิตวิธเบาเบาหายางคือผมหอกบบาหายางคือผมหอกหายางอยู่กับทีแบบหยางอยู่กับทีคือเคื่อให้ยืนยืนย้ค้าชิดกันหน่งีเลยพผู้เอาเยื่้นขาชิดกันน่งทีเดี๋ยวมปนสิลมนะพุทขันยืนให้ขาหางกันน่ีเลหน้อยอยู่หนึ่งทีก็ได้เออเอาขาห่างกันเพราะขาห่างกันนี่มันติดตั้งรักได้นะเส้เส้นหาเส้นหลังตั้งรักได้ กินน้ำแล้วอั้เยอนเป็นเวสทุกคนกันกินน้ำกินน้ำเป็นเบทุกคนนก่อนหน้าเย็นเปนที่ยืนบ้านนี่สิย่างเค้็ดได้คำหนึงหลวงพอวนดำเป็นบอกว่าเป็นเจตเจตสอนทหารนะท่านท่านว่าทหารพระเจเป็นทหารนะวนดำเป็นบอกว่าตอนที่แล enfin ีนไปหอดของกำแพงว่าท่นว่าท่านบอมีท่างไปพวกบวเขาตั้งหัวหน้าน้าก็ตั้งบอกว่าให้เดินน้าเดินน้ำนี่ก็ไปบนเห็นมันติดกับแยงเทียนตั้งไหนเล หลวงพอบทัพบอกเฮ็ดในที่เราเดินหน้ากันย่างสรอยอย่านี้ชึบชึบชอันนู้ไดวหจักถือเตะเตะน้ำดอยงะนะเพรามันเบาตั้งกับเด็หมวยสมัยเป็นทหารเป็นว่ะสมัยมนเป็นทหารเอาแับนี้ทีให้ยืนได้บัณฑ์เดี๋ยวผมสาธิตให้เรื่องเรือการการยืนนี่บพาะให้ย่างด้วผมนะให้ยืนเราให้ซร้อยเท่าอยู่ปกติแต่ให้หูหูบรรทองเหยียบลงหน่งศ หงบนั่งยืนงแต่บนนัเหยืนต้องชิดชอ่าหายลุกบัสทุกคนเลยครับลุกวัสทุกคนยืนวัสทุกคนอย่าเยืนขาติดกันเริ่มสิลมเนี่ยประค่างห้างกันก็ได้เออให้เขาตั้งละยืนวัสทุกคนเลยเออบัสทุกคนเลยวัสทุกคนล่ะบัสทุกคนเออการยืนยืนวัสทุกคนอ้าวยืนยืนวัสทุกคนเลยครับลุกขึ้นบัสทุกคนเลยอ๋อขอเชิญ ขอเห่าลุกขึ้นวัทุกคนเลยครับขอไงไม่ไงลุกขึ้นยืนยือนอย้าท้าปิตกันเดอร์มันธยมพุทธาเห่ามันต้องตั้งรักดีๆนี น, นะเจังว่าเนอทาหารนะบุรุษเจ้ามีแต่พูทเถา่าๆไปเนาะสู่เขาไหวบ่บ่เป็นยังเนะาะเถ่าแต่ร่างกายอร่างกายเถ่าบ่เป็นยั ง, ง, ย ง, ยยงแต่ว่าจิตใจเห่ามันยังเข้มแข็งอยนไปร่างกายเห่ามันมันคล า, ายว่ามันเป็นไปนตามสังขารของมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน แต่ว่าจิตใจเขาก็ยังเข้มแข็งอยู่ยังสู่ได้เพราะฉะนั้นเขาสู่ทังใจเลยเขาบอทาทั้งกายไปสู่ทังใจไปสู่ต่อสู่กับกิเลสนี่คือกิเลสมันอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตนะเอาต่อสู่ทั้งใจการเยืนเย็บบันยกข้าใดก่อรดก็ไดายกข้าวหัวก็ได้เอายกข้าวหัวไม่ได้ีฟอมกันได้ยกข้าวหัวเลยการยกข้าวหัวเมื่อเข้าเสี่ยวก่อนาอกหรือเสีเอารัดรัดไปทั้งหลังกันเลก่อนาอกไม่ตีไว้ก็ไดลนะก่อนาอกไม่ตีไปก็ได้ ยางเนี่วิธีวิธียกได้บัดอันนี้มันมันมันห ม, มอ ง, งายางมันฟอดนะมันหลายที่คลื่อเเทียบให้กำหนดแบบวิธียางนนะ่ะนี่แต่เป็นยางแต่ในยางนี้ก็หมองยางอยู่กบทีแต่บัดบัดเท่ายกขึ้นนี่ยเต้อตงหูนะครับหูแต่บัดเท่าเหยียบลงชึดชิดชิดเอาใจเทานี้ครับไปหูชัดชัดเอาชิดเท่านี้เขาไปหูชัดชัดหูบัดเท่าเหยียบลงเหยียบลง ไ, ได้หูชัดชัดช หูได้บัดเยีบได้ครับหูได้บัดหยีบล่องแต่ใครว่าพราะมันสัมผัสปุ๊กให้หูสัมผัสปุ๊กให้หูเมื่อเข้าอกอดใบหน่ อ, อคับเมื่อเข้าอกอดไบหน่อบอกว่าต้องอยากอายแ้่ครับมันเป็นเรื่องที่เข้าต้องปึกกันนะครับการย่างจุงกลมนี่พระพุทธเจ้าเป็นเหตุมา ก, ก่อนเลยครับการย่างจุกกลมพระพุทธเจ็าเุมา ก, ก่อนให้หูแต่บัดหยีบลงเงนะครับ เหยียบร่องหูวะไหูไอชัดชัดบั่าวาเหยียบรงไอหูชึบชึบชึบหูไ้มันชัดชัดบันเ่าาเหยียบหูชัดบับบ่าาเหยียบสังเกตบ้งสังเกตบ้างเอาใจเขาเป็นหูชัดบะหูแต่บัดท่าาเหยียบร่งึบชึบบเท่านั้นแหละอวันนี้อวันนี้บานนี้นั่งลงไหม นั่งลงหัดเรียนอิทิยบุนั่งลงบันิีบอกวิธีการยางบัดเท้ายางนั้นนั่บดไดบันิเด้บบัดบัดนี่บัดเทายางดนโดนได้บัน้เด้บัดเทายางดนดนได้บบัดขอมือศีกมันเลื่อนล่างด้บัดเท้ายางดนโดนี่ข้อมือศีกมันเลื่อนล่างนี่งเทายางดนดนข้รู้สึกข้ามันเลื่อนล่างนั้นประัตบัด เมื่อควมหรือสืข้อมันเลื่อนล่างมันไปจับย่างแด บ, บนี้ดสลับเด่นนิดสลับนิดพอสลับทนนบันีปบมันสิจะเปล่ยนบัดมันสีจะเทลี่ยบัถึงสมองเอาบัสสลับเทคนิคเบบ น, นี้ผม้าคลายว่าผมเคยเบิ่งเฟินน่ะผบอกสื่อเราผมเคยเบิ่งคคเฟินเินยาวนี่ผมก็สังเกต น, นะผมก็เลยล่องไปเห็นเบิ่งโอ้มันชัดเปี่ยนดีเด่นบัสมันเลื่อนล่างนะบัดมันเลื่อนล่างนะเฮ้ยย า, าเห้น แต่ขันมันทับอยู่ห้องยางแบบธรรมดาเนี่ครับขันมันทับอยู่อยู่ห้องยางธรรมดาเนี่ยขนมันตัดเก่งแต่อย่าลืมอย่าลืมมองเดียวเด้ออย่าลืมอย่าลืมได้มองที่เหยียบลงมมาได้ใหู้เท่านั้นหูได้บัดเหยียบเท่านั้น่ะนะให้หูได้บัดเหยียบล้มชัดเจนมากเลยชัดเจนมากถึงขีเท่าซุกุปเับเหยียบล้มาได้มาถึงขีเท่าซุกซุชัดเจนมาก ยางเนี่ยโตห้าอ่อนๆครับัวห้าเนี่ยยางให้มันนิ่มๆยางตห้าให้มันนิ่มที่สุดมั้ห้องยางเก็บให้มันเบาๆสบายๆยางนั้นสบามันนิ่มชัดเจนปะครับนั่นสิเข้าใจบะไม่ใช่เข้าใจปะเออเข้าใจบัดสุกนอนะคใยัได้เข้าใจบัดสุก้อนไอหูแต่บาดหยยบลงเด้อหูแต่บาดหยยบลงชึบไอหูเข้าใจเข้าไปหูให้ชัดเจน บ้านนี้บ้านนี้วิธีการสร้างจังหวะบ้านะวิธีการสร้างจังหวะวิธีการสร้างจังหวะครับเอามือว่างพร้อมเลยครับเ็ดพร้อมผมเลยครับเริ่มหนึ่งนะสิรับได้ชัดเจนครับ การข้าวเริ่มเนี่มันมันมันมันสิรับทุกสิ่งทุกอย่ kind of mm hmm. างในชัดเจนนะทั้งสายตาข้าเนี่ยเดี๋ยวเห็นอย่างมันชัดเจนมันสิรับในชัดเจนนะครับในการที่ข้าเริ่มเนี่ยเริ่มตาเนี่ยข้ายกมือสีแดงแต่ขันข้าวรับตานี่ยขายกมือเนี่ยมันโหทัดได้ครับนี่ยโหชัดขนาเห็นเห็นเลยโหชัดขนาดนี้ขาวรับตาอันนี้มันเป็นการจ้องครับเนี่ยมันเป็นการจ้องไปเลยนะครับ หูชัดเลยหมืนเนี่ยต้องเบิ้งกันได้เนี่ยเขายกเมื่อรับตาหูชัดเจนเลยหูชัดเกลี่ยเลยแต่อันนี้มันเป็นการจ้องไปแล้วครับผมมาเห็นแบบเออผมลองรับตาเนู่ยโอ้มันจ้องเด่แต่ตัวผมสีหัว่ามันจ้องได้เนี่โอ้โดนครับส่นจนห้อยยางจนห้อยเห็นกายเหูชัดเจนี่บัดเดินจนจนเขาบะมีความปรุงแต่งในจิตแล้วก็ปรุงแต่งมันมันบะมีแล้วมัาสงบบัดแล้วเ้าจังหัว่าตัวนี้มันโอ้ตัวนี้มัน มันจองเด้นคำภาษาของผู้เทียนบอกว่ามันจองน่ะคือมันหูย่าวนะนหูย่าวมันจองจะเข้าโบหัว่ามันจอง<ะ>ให้เมื่อนตาเด้อไผ่เด้อแบบนี้เด้อเมื่อนตา <c oughs> เอาเมือ่อเอาเมื่อว่างว่าเขาบัาน่นเอาเบสทุกคนเลยเบสทุกคนเห็นนํากัน <c oughs> เห็นนําขันเบสทุกคนเลยเอาเมื่อว่างเลยว่าเขาเด้เอเมื่อว่างไหมือว่าเขา <c oughs> เอาพิกเมื่อขวัวคืนให้หู โอ้โหห้าห้หาปขึ้นเอาเอานัง่งน้ามาันก็ผมศิษาพิทเบิงจักรอบนึงซะก่อนไม่แน่นที่เขาจะเอานั่งดีๆถ้มดาซะกอ่อนผมศิษาพิทยเบิ้งจักรอบ เ, เด้อิษยาพิทยเบิงเด้อเหอาห้าปีเมือสิ้นปุ๊บนี่เ้าพิกมื่อสิ้นอะไนี่โอห้ห้โ ห, ห, ห่บัตรสอนอออ้หเอายกขึ้นมาปุ๊บโอ้ได้บัรหยุดครับบัตรหาหยุดนี่ปุ๊บอ้โหตอนยุกบวหัวเงาสิครับบหัเงาส่ การหูย่าเน้นเป็นการจ้องมันเป็นการจ้องจ้องโดยที่ห้าบกหูซึกว่าห้าจ้องครับโดยที่ห้าวบกหูซึกว่าห้าจ้องมันจ้องจ้องโดยที่หาบกูซึกว่าเ้าจ้องเอาหูปุ๊บเอาหูได้บรรยุดครับหูได้บรยุดธบรรยุธปุ๊บหูหูชัดเจนบเอาโลมาเนี่ยกับ่ต้องหูย่าครับบ่ต้องหูย่าเอหูได้บรรย่ทธเมื่อเขาแตะเมื่อเขาแตะทอเขาปุ๊บในหูหปุ๊บบัรยมือเาแตะทอปปุ๊บในห หูตอนนี้ได้ครับนี่เท่ากันทานี้เท่ากันยกปุ๊บตอนนี้ไอหูจะบัดแตะบัดลูกสมมาตนี่เท่กันลูกสมมาตว่าต้องลูกตินตอนนี้เราทำว่าต้องลูกติดก็ปุ๊บตี่กันเลยแตะปุ๊บแตะปุ๊บออกมากค่ครับไอหูเป็นช่วงเป็นคณะคณะขณะครับให้เข้าใจว่าพู้ได้ศาสนาในพระใหหูเป็นคณิกาสมาธิด้วยครับซึ่งหูเป็นคณะคณะคณะคณะคณะคณะมันเป็นคณิกาสมาธิหูเป็นคณะคณะ คือมันมันจะเป็นอัปปนาสมาธิตอนแรกมันสิเป็นอัปปนาสมาธิตอนแรกนี่มันสิเป็นอัปปนาสมาธิคือมันถือหูแบบจนหูจนนิ่งเบิดจนอัปปนาสมาธิตอนนี้เนี่ยเป็นสมถะอยู่ครับหู้จนย่าเบิ้เป็นสมถะอยู่ครับหูกายจนเบิ้นจนหูกายครบเบิ้นตัวนี้เนีเป็นสมถะอยู่ครับพราะมันหูเป็นคณะบัดนี่มันออกจากตัวนี้ปุ๊บบัดนี่มันสิอหูเป็นคณะบัดมันถือหูเป็นคณะคณะมันถือหูทั้งในมั่งหูทั้งนอกมั่งหูทั้งในมั่งหูทั้งนอกมั่งอันนี้มันเป็นคณะแล้วเล มันติเกิดวิปัสสนาญาณสิมาได้ไหตัววิปสัสสนาญาณติดเกิดเข้าใจว่าข้าใจว่าข้ามยังมือเข้าใจบ่ในไงตู้ม้าไม่เข้าใจบ่าา ม, ม, บ ม, ม, า ม, าบมีมีมามาไม้หลายบ่ยินหลายบ่เขา